ภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาจาร์นาโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาจาร์นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธจ ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตรัสา ม, มาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้ภากัน <c oughs> นั่งขัดสมาธิ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 เรียบร้อยแล้วก็ให้ถือว่าสิ่งอื่นใดนอกจากใจภาวนาอยู่ไม่เอาทางนั้นตัดกระแสไปนอกออกไปเรื่องอะไรที่มันนอกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอกออกไปให้ถือว่าเป็นเป็นกระแสของโลกกระแสของธรรมนั้นให้ถือภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่แหละ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 ดูแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วได้ลูก ป, ประขันได้เลือนใจนี่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้คิดอ่านภาวนาเพียนเพ่งดูให้ดีการที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาอยู่โดยไม่ได้ภาวนาเพียงเพ่งดู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 มีดบาดมือเข้าจะเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาแสดงว่าร่างกายสังขารนี่เต็มไปด้วยปุพโพโลโหิตและร่างกายที่เรามาอยู่อาศัยนี้ท่านให้ชื่อว่ามีทวานทั้งเก้าคำว่าทวานทั้งเก้าก็คือตาสองข้างเป็นทวานหูสองข้างก็เป็นทวาน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 เจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ทุกอย่างไปเชื่อว่าที่เราลอดพ้นภัยอันตรายมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดได้ไว้ว่าบุญกุศลแล้วว่าพุพเพกตาปุญญาตาบุญเก่ายังรักษาไว้อยู่รักษามาจนถึงเวลานี้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 อยากยานพาหานะลดลานเหล่านี้มีมากสมัยนีย้เขาให้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งความตายจากอุพเทวดา เ, เพราะว่ายอดยานพาหานะนั้นไม่ว่าที่ไหนมันมีผู้ใช้ยอดยานพาหานะนั้นเกิดความประมาทมึนเมา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 เกิดขึ้นมาแล้วเรื่องต่างๆมันก็รอบด้านมันคอยจะให้เกิดภัยอันตรายได้ทุกเวลาทีนี้ทางแก้ภายนอกนั้นก็คือให้สงบกายสงบมาจาสงบกิจเมื่อตั้งอยู่ในความสงบสิ่งใดจะไม่สงบก็ละถอนออกไปจะพูดอะไรก็พิจารณา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 มันก็เกิดภัยอันตรายจึงต้องอาศัยภาวนาพิจารณาให้ดีแล้วจนจิตใจรอบรูในกองสังขารรอบรูภายในจิตรอบรูภายในกายรอบรูภายในวาจารอบรูภายในจิตใจภายในอีก อันใดเป็นเหตุแห่งความสุขอันใดเป็นเหตุแห่งความทุกข์จะต้องลู้รลอบในจิตใจอันนั้นแล้วเวลาทำพูดคิดอะไรก็จะต้องอยู่ในความพินิษพิจารณาถ้าไม่มีความพินิษิ์พิจารณาแล้วภัยอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ด้วยเหตุเลยพระพุทธเจา้าพระองค์จึงตัดได้ว่ายาได้ประมาตประมาทโผประมาทย่อมเกิดทุกข์อปมาโทผู้ไม่ประมาทย่อมเกิดสุขประมาทแล้วเกิดทุกข์ไม่ประมาทเกิดสุขคําว่าสุขภัยอันตรายทางกายก็ไม่มี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 จึงพาให้กายวาจาจิตของบุคคลเหล่านั้นมีความดีต่างกันเมื่อไม่รู้จักรักษาโาครคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นอย่างและดูล้อนและดูร้อนนี้มันมีโรคท้องล่วงโรคอาฮิวาอาฮิวานี้มันเป็นเพราะ คนเราไม่สังวรระวังในการกินเขาว่าเชื่ออาหิวาตากรโลกนะ่ะมันเข้าทางปากมันไม่เข้าทางอื่นเหมือนโลกะนิดอื่นเวลาคนเราบริโภคอาหารน้ำสะอาดน้าไม่สะอาดก็อย่าไปกินอย่าไปเดิมอาหารการกินก็เหมือนกันต้องดูแลรักษาตัวเองให้รอบครอบ ถ้าไม่รอบครอบแล้วปลื้นเข้าไปเชื่อโลกองฮิวาเข้าไปในท้องในไส้แล้วทีนี้มันก็ออกแม่แพ้ลูกอยู่ในลำไส้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงโรคอะฮิวามันทายเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงก็ตายกัน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 ธรรมกรรมฐานเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเราจะตั้งอยู่ได้ก็มีธาตุกรรมฐานสมบูรณ์พุ่นพอกับเหตุการณ์แล้วจึงได้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาฟังธรรมนั่งขัดสมาธิเพทได้ถ้าว่าไม่รักษาตัวไม่ละมัดระวัง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 ภูบายกรรมาฐานที่เราจะนึกพิจารณามีอยแต่จิตเมื่อไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์กีเละผลที่สุดมันก็ทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็มักจะคิดว่าเรานี้เป็นคนบุญไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยก็พาให้จิตใจท้อถอย ไม่บากบั่นพยายามไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เลิกล้มความเพียรทั้งๆ ท, ที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสน า, าบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้วก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่ได้ไปเชื่อมารกิเลสเชื่อสังขารลมารกิเลสมารมันมายั่วยุ ให้ศึกษาลาภเพศไปกินไปนอนได้รับความสุขมากมันโกหกท้งนั้นเมื่อศึกษาลาภเพศไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นบทุกทางหลายมันรวมเข้ามาหมดเหมือนกับว่าทุกในโลกมันมีเท่าใดมันก็โหมเข้ามาทับถมทับถมหัวใจนะทับถมกายทับถมหัวใจผลที่สุด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 เลิกละกิเลสความหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะข้ามพ้นวัตะสงสารอันนี้ไปได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ความฉลาดนธรรมปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึง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 ที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทาั้งหลายท่านบำเพ็ญมาสิ่งเหล่านั้นได้แก่ทานการให้การบริจาคชีนรักษากายวาจาจิตให้บริสุทธิ์สงบระังงับให้มีเนคขัมบาลามีเรียกว่าบวช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 เพื่อเสริมสร้างปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถอาจหาให้เกิดให้มีขึ้นผู้มีปัญญาทันว่าเป็นแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างดวงฟัทิปจจันทร์มันก็สว่างได้ในทางนอก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 ยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำกิ จ, จ ก, กรรมการงานทางโลกทางธรรมได้ก็อาศัยจิตเป็นใหญ่ใจนี่แหละเป็นใหญ่แปลว่าถ้าใจมันใหญ่ในโมโหโทโสฟุงซาลำคานมันก็ทําแต่สิ่งที่เป็นบาปถ้าใจนี่แหละไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเป็นใจิตใจอันเมตตา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 แต่ว่าบทย่อท่านก็ว่าให้ภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรูปนามกายใจของตัวเราเองนี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักอานิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อว่าอย่างนี้มันก็ย่อแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสงบตั้งมั่นอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเอาจริง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 แย้งอยู่ที่กายเห็นร่างกายนี่ว่ามีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัยนี้นั้นอายุไม่ถึงร0อยปีเราทุกคนจำใจต้องจากต้องตายก่อนร้อยปีด้วยกันทางนั้นอายุร้อยปีนี้ทันวันน้อยนิดเดียวไม่พอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์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 ยังจิตใจที่ภาวนาพุทธโธภาวนามละกรรมฐานอยู่เตือนใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุตตลอดการและทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม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 เป็นอวิชชาความไม่รู้ไม่ภาวนาก็เปรียบเหมือนอย่างว่านะเรียกว่าเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจูงคนตาบอดจูงไปหาที่ตายเท่านั้นเองผู้ภาวนาทางหลายทำอย่างไรจะเป็นคนตาแจ้งตาใสเกิดตาปัญญานั่นแหละเราจะต้องกราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสง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 บุญมันรักษาบุญที่เราภาวนาทาดีทุกอย่างนี่แหละเมื่อเราทำดีได้ทุกอย่างทุกป ร, ประการความมวลมาก็คือว่าจิตใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรอะไรมันก็พลอยดีไปหมดนั่นกายก็ดีคาว่ากายดีนั่นก็คือว่าความประพฤติทางกายนั้นไม่มีทุกไม่มีโทษ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 ทองใสสะอาดเมื่อให้มีความขุ่นข้องมองใจ ใ, ใดๆเข้ามาถับถมในหัวใจนี้จึดใจอนเน้ก็ได้เชวัตั้งขึ้นมาได้ไม่ล้มลุกทุกข์านไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนเมื่อเราตั้งใจได้แล้วก็ได้เชว่าภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้ว จะแก่ก็ภาวนาได้จะนุมก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ดูมนุษย์คลั้งพุทธตานเด็กเด็กขนาดอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้จนถึงพระอรหันตากินาศศเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาไม่ใช่มัน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 มันได้ได้เหมือนเหมือนกันบางคนก็คิดว่าเราเป็นเพศหญิงบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ไม่สำคัญในคลังพุทธการสมัยก่อนโน้นก็เราวาดญาติโยมเพื่อนฟังธรรมแล้วก็ภาวนาภาวนาละกิเลสได้เหมือนเหมือนกัน ดูตัวอย่างอย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เด็กไปบวชไปเรียนที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไปบวชเรียนเขียนอา่านภาวนาทําความเตียนจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แทรกมาโปรดพุทธบิดาพระประยุรยา่าทุกคนก็ตั้งใจทําดีด้วยกันทางนั้นผลที่สุด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 ให้เป็นจิตใจอันเกิดความหมัน่นความขยันขันแข็งขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจเมความหมัน่นขยันมมความเพียรอันโลปร่างกายนั้นใจดีมันดีไปหมดใจเมความเพียรร่างกายมันก็มีความเพียนมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกอย่างมันก็มีความเพียนไปตามจิตอันความเพียร น, นี้ท่านว่าเป็นจิตที่เราทุกคนจะต้องทา ผู้จะภาวนาได้ก็ต้องอาศัยความเปียนท่านจึงตัดได้ว่าวิริเยนะทุกขมักเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเปียนคนเราเมื่อมีความเปียนความหมันความขยันขันแข็งไม่ทอแท้ออนแอในหัวใจแล้วทุกคนก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนา ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการะชะนี <c oughs> สทพพีจะเห็นแจ้งในหลักอณนิจังทุกขังอนัตตาทัพีจะได้เห็นว่าความโิดเป็นทุกข์ความแสเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ จะได้กรกบรวงกำลังจิตกำลังใจภายในเล่ให้มีาละกำลังความสามเณรสามฐานถาอ ม, มตนออกจากหลม่มถาอมตนออกจากที่คุมขังเหมือนกระทางตัวมันใหญ่ตกกลงในหลุมมันพยายามทั้งเท้าทั้งี่และงวงงา ื่วยพยมตัวเองให้พ้นเมื่อกำลังแรงพอก็พ้นได้ถ้ากำลังแรงไม่พอก็จมลงไปในบินชันได้ผู้ไม่นั่งภาวานาไม่ปฏิบัติดู่าก็คอยจมลงไปในโลกในสมมตินิยมต่างเวลานั่งภาวานาเมื่อเราหลับตาแล้วตาใจไม่ได้ละ เนี่ยตาใจมือเลื่นเดินตมที่ว่าอะไรมันเกิดอะไรมันแต่อะไรมันเจ็บอะไรมันตายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันแต่มันเจ็บมันไข้มันตายใจเราอยาได้วันไหวสั่นสะเทือนจงเต็มทูกสินิพิจารณาให้แก่นแท้ครับเก่นภายในใจของตัวเอง อยาปลายให้อำนาจกายตาเข้ามาทับผมบวงใจจองเป็นผู้มีสติความดับึกได้ใน ว, ใวัใจัยูโยเสมอง่ว่าร่างกายจันนะจะให้มีสติภาวนาอยู่พุโทโธในใจหรือพิจารณาอันใดในร่างกายสังขารนี้ ก็เปนโอบายภาวนาทําใจให้สงบหลั่งลับได้ทุกอย่างทุกประการแต่ถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่ทําจริงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าตั้งใจลงไปจริงๆแล้วทางในไม่รู้มันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตในใจอย่างว่าความทุกข์ความเจ็บไข้ใปตัวมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกาย หยุดโยภายในย่อมรู้เวลามันเกิดปวดทุกขเวทนาโรคภัไยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นตัวเองก็ไม่ต้องการไม่สาดคนะแต่มันก็บอกไม่ได้มันก็ว่าไม่ทักมันไม่ได้ฟังหาเสียงของใครนับตั้งแต่มันเกิดมาแล้วความเจอะความสลาดมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุด มันเหมุนไปตามวาระของโลกประขันอย่างนั้นอยู่ื่อยไปความเจ็บไขไ้ในตัวมันก็เกิดมีขึ้นในตัวนี้เมื่อผู้ใดาอายุสั้นก็ตายแต่เล็กแต่น้อยแต่หนุ่มบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราแต่ดับตปตายก็มี บางคนก็ในวัยเด็กวัยหนุ่มนี่แหละมันตายได้เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ให้เลือกตารเลลาว่าเรายังเด็กยังหนุม่มให้เลือดทำให้เลือกภาวนาเอาให้มันสบาย อ, อกสบายใจเพื่อต่อไม่ต้องไปรอให้แกช้าละให้เกิดไข้หรือให้ถึงวันตายถึงวันนั้นมันจะเอาไม่ไหว ต้องทำก่อนปฏิบัติก่อนต้งลังกายยังดีกำลังความคิดความรู้กำลังภาวนาพุโทโธในใจยังแข็งแรงอยู่ก็ให้ตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเพือใจเราจะไม่ย่อท้อในการภาวนาทำความกินละที่เหล็จจงเห็นแจ้งว่าอะไรก็ตาม ถ้าเอามากำหนดภาวานาจริงๆแล้วมันเป็นอุบายภาวานาทำความเพียรให้สงบละ ง, งับได้ให้เห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้ทุกอย่างทุกเะตาจึงเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของะดุดีเจ้านั้นตักเตือนผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเวลา ทำเส็เป็นทุกข์ก็แดงอยู่ทมแส่ เ, เป็นทุกข์ก็แดงอยู่ทำตายเป็นทุกข์ก็สแสดงให้ตายจบอยู่แม้ตัวเราไม่ตายบุคคลสู้อื่นสัตว์อื่นก็ตายให้เราเห็นเมื่อเห็นแล้วทำก็ให้โอปะนะันอิกะธรรมน้อมเข้ามาลวนเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่นในดวงจิตดวงใจนี้ในร่างกายของเราทุกคน นับตั้งแต่เคษาผมโลมาขนาขาเล็ททันตาฝันตัดโจหนังมังตังเมื่อนาฮารูเอ็นอติกระดดกอธิมินทางเยื่อในกระโตักไปใส่โพงโชกส่วนในร่างกายของแต่ละบุคคลร่วมแล้วะตเป็นปุ๊บไม้ทเตืนเอาใจให้สงบหลังนับลงไปก็จะรู้จะเข้าใจ ้ายในจิตใจของคนเราทุกคนไม่ต้องสงสัยดันั้นเราต้องรวมกำลังสงบจิตใจให้มั่นคงลงไปในหัวใจและไม่ต้องไปรอวันนั้นเวลานี้เรีว่าหลักปัจจุบันหลักปัจจุบันถ้าเราทุกคนภาวนาลมรวมจิตลมใจในปัจจุบันแล้วที่ไหนก็ได้ นั่งเยู่ที่ไหนปัจจุบันในที่นั้นนั้นมีโยกตอนภาวนาเมตตน้อมอยู่ในหัวใจมองให้เห็นชร า, าพยาพิมลณะในร่างกายของตัวเองในบุคคลผู้อื่นแรกเริ่มเดิมทีคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นมีเมล็ดมาจากเล็กเล็กนิดหน่อย มันก็จะเลื่อขึ้นเจริญขึ้ น, นท่านจึงเตือนไว้ว่าถ้าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องดับไปนะไม่คงชื่อไม่เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรากําหนดตามดูจนเห็นแกงภายในจิตใจว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเปลนไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ตลอด เมื่ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อมาเห็นแจ้มภายในจิตใจด้วยสตปัญญาของตัวเองนั่นแหละจะเจอธรรมะตรินินดีในธรรมที่เติมได้ภาวนาไม่มีความทอดถอยคนที่มีความทอดแท้อ่อนแอทอถอยนั้นคือไม่ภาวนาจิตใจไม่สงบจิตใจไม่หยุดจิตใจไม่อยเมื่อใจของเราไม่หยุดไม่โย ไม่รู้ในกายในจิตมันก็ออกไปรู้ภายนอกส่วนมากมันก็ไปขับไปเคลื่อนมือแต่ติจีนนินทาว่าลา่ป้ายสีให้แก่คนว่าให้แต่สัตว์บ้างเข้าใจท่อง้าอากาศแต่แล้วไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นธรรมที่เป็นปัจจุบันเทว่า เอาใจของเรามาตั้งในขณะนั้นทุกขณะไปจิงเอิญนอกจากจิตใจอันตปนโยมือโยในปัจจุบันไม่ให้เราวังระวังอะไรเราวังมันจะออกลู่ไหลไปตามสังขารมานคิเลสมาในหัวใจเพราะว่าใจเมื่อมันออกไปข้างนอกแล้วมันสบายมันก็สบายที่มันสบายตามอนนานาจีิเลส มันโต้ความสบายภายในไม่ได้ถ้าเรามาลวนมาสงบเท่นเดในร่างกายสังขารของคนเราทุกทุกขอนไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยัน่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป ส, า, สาพยาธิมละนะนั้นมันคอยสแงอยู่เสมอ เพะนั้นผู้ภาวานาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ว่าเราจะภาวานาบทใดข้อใดก็าตามแต่ท่านาต้อง น, นึกต้องเจแรญให้มันทัดทีนึกภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจทำเนึกอได้ทุกลมหายใจแล้วจิตไม่สงบจิตไม่สบายก็จะสงบสบายขึ้นมา แต่ถ้ามันห่างไม่เ็กไม่เจริญหมดวันไม่ได้คิดถึงความแตกความเกลีดยดความไข้ความตายของตัวเองตั้งแต่เกิดนาไม่ได้คิดถึงความชัดพลาจดากสับดัษข้ามทั้งหลายเกิดใจมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อใจไม่รู้ไม่เข้าใจใจมันก็ล้มวนเยียนอยู่อย่างนี้แหละ ผู้บรรพชนภาวนายาได้มีความเท่อเทยจงลุกขึ้นเติมขึ้นเยนหยาดต่อสู้ในชีเลส ข, ของตัวเองเอาชนะกิเลศ ข, ของตัวเองให้ได้เราจะสนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนต่อสู้ชนะใจของตัวเองไม่ได้เราชนะจิตใจของเราภายในมีได้แล้ว่าชนะทั้งโลก โดกรบพุท ธ, ธเจ้าของเราพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาตับดบ่วงหวงอะไรอเบกตัญหาในจิตใจของท่านได้แด้ว่าเอาชนะใจของตัวเองได้เอชนะคนทั้งโลกเหมือนกันท่านจึงให้ภาวนาเยิดพกลมหายาก เขก็ตามออกก็ตามจิตใจเดินสี่เล่มีโยที่นี้ไม่ได้มีโยที่อื่นเมื่อผู้มากำหนดพิจารณาจนแจ้งในจิตในใจแล้วมันก็ค่อยถอนค่อยปล่อยค่อยวางออกไปโดยลําดับไม่ว่าอะไรมันค่อยทําค่อยปฏิบัติไปมันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปแต่คนเรานั้น มันอยากเร็วเตนไปจคือว่าไม่ตั้งใจให้มั่นคงภายในใจิตใจก็เลยเข้าใจว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นั่นแหละถ้าเราตั้งความเพียอมความมัน่นความขยันลงไปในหัวใจทำได้ปฏิบัติได้ทุกคนเราว่าพระธรรมูในคาสอนของจตุสเจ้านี้ ในเมืใครยึดไว้ได้ต น, นทมประจำาอยในพุทธศาสนาผู้ใดน้อมน ม, มาปฏิบัติดูชาชำระกายวาจาจิตข้งตนให้บริสุทธิ์ผองใสได้ทุกทุกคนและพระธรรมคำสอนของประพุทธเจ้านู่พระธรรมยูไ น, นไมในโดยเรียกท่านวันนะคนเราจะเกิดในสมมติท่านอะไรก็ตาม หาตั้งใจประคฤติปฏิบัติชอบก็เป็นทางให้หลุดให้พ้นได้ทางนั้นแหละจาบนี้ก็ตามจนก็ตามการภาวนาปฏิบัติบูชาเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศษไม่เหมือนวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองภายนอกเราต้องลงมือปฏิบัติ ดวงจิตดวงใจในจิตในภาวนาพุทโธเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงในหัวใจเมื่อจิตใจตั้งมั่นลงไปจริงๆแล้วสึงที่ยากมันกลายเป็นง่ายขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่ท้อถอยมันต้องได้บางคนก็กลัวเน็ตกลัวเหน่ยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นตัวตาย ถ้าเรามาพุทธึงคะบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านตารัความทุยียนทรามานจนกระทั่งว่ายังเหลือแต่หนังหุ่งกระดูกนั้นก็ไม่ตายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ถ้ า, าว่าใครปฏิปฏบัติชอบละตายเอาตายเอายังไม่ได้บรรลุมรรคก็ไม่มีผู้ใดได้บรรลุมรรคทีนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรรคก็จสรู้ทำก็ท่านไม่โรตายท่านภาวนาในจิตในใจของท่านมนความสามากถามโดยภายในจิตใจคงเพิ่มไม่ทําท่านก็ทํา คนอื่นไม่บำเพ็ญทานท่านก็ บ, บำเพ็ญทานคนอื่นไม่รักษาศีลท่านก็รักษาศีลภาวนาผลที่เ